ทางบ้านสวนก็เหมือนกันกุฏิหลังไหนอะไรถนนหนทางหรือป่าย่าที่มันรกจะเอาขู่คนละดมไปช่วยกันไปดูไหมอันนี้ก็ทงังให้ช่วยช่วยกันทางกูบาก็ช่วยกันคิดนะนะช่วยกันคิดสรุปแล้วก็คือให้พวกเราอยู่ด้วยความ ร่มเงย็นผาสุกตามอัตภาพอัตภาพก็คือให้อยู่ไม่ใช่หรูหลาโออาฟุ่งเฟือยเหลือเฟือ <c oughs> อยู่แบบโลกโลกเขาไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่พอเพียงแบบทางโลกนะพอเพียงแบบทางธรรมอีกสันทุถีประมังทานัง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 ถ้าไม่ะระลึกถึงความตายเลยตัวเองคิดว่าตัวเองจะไม่ตายนั่นแหละมันเรื่องมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าวละเลือกถึงความตายไว้อยู่เสมอนะนมรังเมภาวิสติให้ระลึกถึงความตายไว้อยูอ่ถึงจะไม่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าแ น, นนะนาก็เถอะนะแต่มันเรื่องไหนที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาแล้วก็แล้วให้ระลึกถึงความตายของตนเอง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 ไว้อยู่เสมอนะความพอเพียงก็จะมนะีอันไหนคือความพอเพียงอันไหนคือความถูกต้องเหมาะสมอันไหนที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามการละการสถานที่นั้นๆการการลเทศะบุคคลนั้นๆแต่ถ้าว่าพวกเราลืมตัวในจุดนี้นะลืมว่าคิดว่าตัวเองจะไม่ตายคิดว่าตัวเองจะครองโลกไปนาน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 อยู่ก็เป็นอย่างนี้ประเทศชาติต้องอยู่ได้ถ้าว่าพวกเราคิดไว้ในใจอยู่เสมอนะั้นมีคุณธรรมในจิตใจนะนั่นแหละดูด้วยกันขนาดไหนก็ล่มเย็นเป็นฉุกทั่วนหน้ากันแต่ถ้าว่าพวกเราเอถ้าวาตนเองไม่ได้แล้วครับคนอื่นไม่ต้องได้แต่คิดได้เพียงแค่นั้นแล้ะกันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปทุกหัวและแห่งเพราะหะไรเพราะว่า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 ตาไม่จริงพวกปากไม่มีหูรูดมันก็ยากอีกเหมือนกันนะแต่ตาไม่จริงยางมันไม่มากถึงขนาดนั้นมันยางมันกว่าที่ได้ยางไปเนี่ยเราจะไปพูดทำไมยางมันมีเท่าไหร่มันก็มีกุสโลบายหรือมีเทคนิคอย่างข้าวเหมือนกันข้าวของเราเนมะ่นข้าวเสียข้าวเสียข้าวเสี ย, ข, สยข้าวล้นตลาด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 ใจิตใจเป็นสมาธิซะก่อนในเมื่อเป็นใจิตใจเป็นสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ว่าตัวนี้คืออะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้สอนอย่างนี้เข้าใจเอแต่ถ้าว่าผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะั้นมีแต่เอาพระวินัยกับพระสูตรนะมาถกเถียงกันวันยังค่านั่นนะอันนี้ก็เหมือนกันในโลกนี้มันมีอยู่ลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าว่าคนสายตาสั้นมอง